สิงหาคมพุทธศักราช2556ช่วงนี้รู้สึกฟ้าฝนแห้งแล้งแต่เมื่อกี้นี้วันนี้เดินไปบินทบาทไปเห็นพี่ น, น้องประชาชนกำลังเอายางออกมาขายกิโลจังไหนป ร, ปรหมวดหมว ด, ด ท, วทิศ41เต๋ กี่อย่าง4ี่กี่ยางสิบเอ็ดเไข่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอยู่ตัวเนี่ยเพราะเขาสิปิดถนนตามไม่จริงหลวงพ่อว่าเน่ยยางราคาถูกข้าวราคาถูกอะไรราคาถูกน่ไปปิดถนนเนี่ยมันไม่ถูกหรอกถูกหลานยางราคาถูกต้องการเท่าไหร่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 แต่ทำไมท่านจะไม่ออกปากออกเสียงไม่เดือดร้อนแทนเรามันจึงจะถูกหลวงพ่อว่านะ่ะไปล้อมบ้านพู้แทนเน่ยตัวแทนของเรา็รู้ก็เป็นใครที่เราเลือกเข้าไปไม่ออกปากออกเสียงเลยจากนั้นก็จับมาได้ก็จะไปเขียนแรงมากว่าเขียนพอเป็นพิธีก็พอเอาเสี้ยวไหวหวหลังสักสองสามทีต่อไปจำไว้ใครจะเป็นผู้แทนรัษดร เหยียบขี้หมาก็ต้องเหยียบก่อนเพื่อนเหยียบน้ำก็ต้องเหยียบก่อนเพื่อนจึงจะเป็นผู้นำได้เอไม่ใช่ว่าจะมาเป็นเอผู้นำแล้วตีพุงเฉยอย่างเนี้ยเอมันจะเป็นผู้นำได้ยังไงพวกเร า, าราษฎรทั้งหลายมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้นูไปปิดถนนเหมือนกับพวกเราคันศรีรษะไปเกาฝ่าเท้า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 ไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำเขาได้นะโดนแช่ไวหัวหลังเหมือนกับผู้แทนยุค ก, ก่อนนั่นแลนะเขาจะได้กลัวใครจะเป็นผู้นำขึ้นมาต้องคิดหนักละบันข้าจะเป็นผู้นำได้ไหมถ้าข้าเป็นผู้นำไม่ได้ข้าจะไม่สมัครอันนี้สมัครกันเป็นพวนทั้งผัวทั้งเมียทั้งใครต่อใครยกขบวนกันขึ้นมาเป็นผู้แทนแลยนอนตีพุงเฉยหลวงพ่อว่านะ ในหลวงพ่ออยู่ในป่าพกโ ด, พดงพงไผ่นำมาคิดคิดคิดดูกับพวกลูกหลานแล้วหลวงพ่อไม่น่าจะถูกนะพวกเราไปปิดถนนหนทางทำให้เดือดร้อนทุกหัวละแห่งเก่าไม่ถูกที่เหมือนกับคันศีสาแล้วไปเก่าฝ่าเท้าลักษณะอย่า ง, างนั้นะหใครเป็นคนต้นเรื่องใครเป็นคนจะดำเนินเรื่องอย่างนี้ได้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 ในสิบยี่สิบาทลูกหลานผมเี่กม็มีขนมน ม, นมเลยใส่บาตรของพ่อตงอตงพ่อก็เดือดร้อนเหมือนกันนะถ้าลูกหลานรวยาตามความเหมาะสมไม่ใช่รวยขนาดนั้นหรอกอไม่ใช่รวยอู้ฟู่ขนาดาจนไม่ลื ม, ม ล, ล, ลืมตาแต่ก็พออยู่ได้อพออยู่ได้ก็น่าจะเพียงพอแต่นี่มันดูดูแล้วมันก็ทำให้เดือดร้อน ไปสักหน่อยขยับขึ้นไปซะรัฐบาลมีส่วนคลายก็ว่าไม่ได้ทำการทำงานมิตฉถกเทียงกันอยู่ในสภาพูดในเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เรื่องปากเรื่องท้องพี่น้องประชาชนห่างเหินไปแต่ลุงพ่อว่าไม่น่าจะถูกนะพูดเกี่ยวข้องน่าจะดูพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนอะไรไม่ใช่เขาปิดถนนจนไม่มีที่ไปที่มาแล้วยังคอยมาคิดกัน ไม่น่าจะถูกหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายนะถ้าใครจะไปปิดถนนอย่าไปปิดกับเขานะถ้าไปปิดถนนหนทางเป็นบาปเป็นกรรมติดพพติดชาตินะเกิดภพหน้าชาติหน้าไปที่ไหนไมิถะเขาปิดถนนหนทางตัวเองเอจะเดินไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะบาปกรรมที่ปิดถนนหนทางให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนะ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 เรียกว่าผู้แทนของพ่อค้าเร่องว่าข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าก็เลือกข้าราชการเป็นตัวแทนเข้าไปในสภามันจึงจะถูกอันนี้มันเลือกมั่วกันไปหมดผลที่สุดเนี่ยนะเป็นชาวกเกษตรชาวบ้านนะ่ยไปเลือกพ่อค้านะพ่อเลือก้ามากันนล้วนะขายข้าวขายอะไรกิน หัวราชดอนไปหมดกินหัวพวกเกษตรไปหมดเพราะเหตุหไรเพราะไม่มีการปกป้องกเกษตรมันก็ต้องดูแลกเกษตรวราคาถูกราคาแพงยังไงยางราคาแพงไงมันราคาแพงเข่าโพดราคายังไงข้าวราคายังไงเป็นกเกษตรทั้งหมดขึ้นทะเบียนกเกษตรเลยทางพ่อค้านี่ยคพ่อค้าทั้งหลายเอาใครจ ด, จดทะเบียนเป็นพ่อค้า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 เดือดร้อนอย่างนั้นเดือดร้อนอย่างนี้ราคาถูกอย่างนั้นเอข้าพไปเจ้าจะดองเดินไปขายติดต่อต่างประเทศอย่างงุ่นอย่างนี้เทีนี้ทางข้าราชการกันพ่อค้าเอาข้าวไปเจ้าสร้างถนนทางถนนพวกข้าราชการกินหัวคิวได้ยังไงอมันทําไม่ถูกข้าราชการกินหัวคิวของพ่อค้านอย่างนี้เป็นต้นะลุงพ่อว่า คล้าว่าใครก็ปกป้องของไขของเราถ้าการบริหารอย่างนี้หลวงพ่อวาาเกษตรก็คุ้มครองกรเกษตรรัฐการก็คุ้มครองขรรตการพ่อค้าก็คุ้มครองพ่อค้าถ้าบริหารอย่างนี้หลวงพ่อว่าเพลเพลยังฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นฝ่ายนักพจน์นักบวชคเนี่ยเป็นกลุ่มของนักพจนนักบวชปกป้องตัวเองอีกเหมือนกันใครจะพูดอะไรใครจะทําอะไร คณะสงฆ์ก็ต้องมีทีมอีกเหมือนกันอมหาเทระสมาคมก็ดูควบควมุมดูแลลูกน้องพระสงฆ์คนตนเองเอใครออกนอกหลู่นอกทางผิดหลักพระธรรมวินยัยก็ต้องดูกันเองต่างคนก็ต่างดูของใครของเราปกป้องกลุ่มของใครของเราถ้ามันผิดมันถู ก, กรู้เอากฎหมายบ้านเมืองออกมาว่ากันเท่ไหนถ้าเป็นอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าเนี่ยจะดีมไหม อ, อันนี้หลวงพ่อจะ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 ท่านมอบให้เราแล้วทำไมเราจึงไม่คิดจัดคิดทำให้มันดีขึ้นในยุคของเราเราทำไมจะไปหาตาหนิปู่ย่าตายายท่านหามรดกมรดกไว้ให้เรานะั่นก็น่าจะเพียงพอแล้วเราจะจะไปตาหนิท่านทำไมตาหนิพวกเราเนี่ยทาไมทำไมไม่หาของทำไมไม่เอาไปของไปขายทำไมไม่พัฒนาตนเองเอ ดูตนเองจะไปดูคนอื่นถ้าดูคนอื่นไม่มีที่สิ้นจุดหลวงพ่อวานะ่ะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออยู่ป่าอยู่ตรงก็ไม่มีความคิดนะคิดแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคิ ด, ค, ดคิดถึงพวกเราเหมือนกันนะไปทะเลาะกันยางราคาไม่ได้ยางราคาถูกข้าวราคาถูกมันสําปลังราคาถูกข้าวโพดราคาถูก